ก็ฝั่งที่ครบรอบคะเราปฏิบัติธรรมกันพอสมควรการปฏิบัติเช่นนี้พระอาจารย์เผบูลนะคะก็คเคยได้กล่าวเอาไว้ว่าสมาธิดีจะทําให้เหรานั้นมีความพิเศษเกิดขึ้นก็ผู้องตรัสว่าสามารถที่จะมียานทิพย์ได้อขออภัยค่ะมีตาทิพย์ได้มีหูทิพย์ได้เป็นต้นสามารถที่จะ มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นได้ยินในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ยินว่าอย่างนั้นเถอะต้องทํำไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้สําคัญที่สุดอยู่ตรงนั้นอยู่ที่การปล่อยวางเน่สาระมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปฟังในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จนะกับพระอาจารย์เพร บ, บุญอภิปุนโนซึ่งได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้มาเป็นเวลามากกว่าพวกเราเยอะกันก็นแล้วกันนะคะกล่าวในพุส ก, การ์คะท่านคะบอนที่คุณยมติวเพื่อสักครู่พูดมาสักครู่นี้ว่าถ้าเรามี สมาธิบ้างเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเกิดแบบมองเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยน ะ, ะอันนี้อันนี้เราไม่ได้ต้องพูดถึงเรื่องแบบหูทิพตาทิพอะไรเอาแค่ ง, ง่ายๆคนทําธุรกิจแตนะ่ถ้าจิตคุณมีกําลังจิตคุณมีสมาธิจิตคุณมีมีกําลังอะนะคุณจะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในในทุกๆสถานการณนะ์จังหวะนี้ขายของได้จังหวะนี้คุณเอานี่มาขายกนะ็คือคุณมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็น คนที่ไม่มีสายตาทางธรุรกิจเนี่ยคุณก็จะทําธุรกิจอะไรก็ไม่ได้ขายของอะไรก็ไม่ออกอนะค่ะนะอย่างกรณีของ โ, โอลิมปิกที่มีอยู่อย่างเงี้ยบางคนก็ไปเปิดร้านทําอะไรพิเศษขึ้นมาคุณเห็นคุณเห็นโอ้ช่องทางทางธรุรกิจนี่อทำไมคุณเห็นค่ะนะคนอื่นไม่เห็นนะก็ก็เพราะว่าความที่มีสมาธิระดับหนึ่งมีบัญญาระดับหนึ่งน ะ, ะน ก, ก็ลักษณะนี้เหมือนกันค่ะงั้นดิฉันพูดใหม่เสริมอีกครั้งนะคะว่า ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ท่านคอยว่าเมื่อไหร่จะทิพเกิดสักทีในตาของท่านในหูของท่านแต่พิเศษมากสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยซ้ำไปขนานไใช่ใชสติปัญญาดีจะมองเห็นโอกาสมากกว่าคนอื่นถูกต้องแล้วเวลาเกิดปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเงี้ย คุณจะไม่ตื่นเต้นตกใจแก้ไขได้อย่างจับวันจับพลันนะเขาถามปุ๊กตอบได้ปั๊บมีอ่าเขาเรียกว่าวิจารณญาณมีสัญชาตญาณในการตอบปัญหามีอ่าความเฉลียวฉลาดพวกนี้แต่แต่อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าคนต้องสมองดีเท่านั้นนะเอาตัวรอดได้คุณถึงจะเรียกว่ามีปัญญา ก, ก็ไม่ได้ม่ใช่อันนั้นอย่างเดียวเหมือนกันนะปัญญายังวัดด้วยความปล่อยวางด้วยค่ะพระเจ้าจึงห้อยท้ายตรงนี้ว่าอันนี้ก็เป็นคนเธอประการหนึ่งอันนี้ก็เป็นปัญญาเธอประการหนึ่ง มันก็บั ด, ไ ด, ไ, ดได้ด้วยหลายหลา ย, ลายกระบวนาท่าค่ะอาจารย์คะพูดถึงนอกเหนือจากประเด็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสัปดาห์นี้ที่น่าพูดถึงจะว่าในสัปดาห์ก็ไม่ได้นะคะต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยเรื่องของผู้หญิงจะเป็นที่พูดถึงกันมากเพราะว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมของทุกๆปีถูกกำหนดให้เป็นวันสตรีไทย Oh. แล้วก็ผู้ที่พระราชทานชื่อนี้ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏซึ่งในวันที่สิบสองสิงหาคมที่กําลังจะมาถึงก็จะถือโอกาสว่าเป็นวันที่สําคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยมาเป็นเวลาตั้งแต่ที่ทรงมาเป็นสมเด็จพระราชินีแล้วนะคะเรก็คื อ, อเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาและในปีนี้เป็นปีสําคัญเพราะว่าเป็นปีที่ ทรงมีพระชนมายุแปดสิบพรรษาค่ะทีน mm ี hmm. ้อท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างของผู้หญิงไทยก็จึงมีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงในทุกรูปแบบอย่างกับรัฐบาล น, นี่ก็เรียัได้พูดถึงว่าจะดูแลผู้หญิงด้วยยุทธศาสตร์ใดบ้างอ mm hmm. และส่วนนโยบายสําคัญที่ได้พูดไว้ก่อนหน้าจะมาเป็นรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนเขาเลือกมา ก็คือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็ได้เริ่มคืบหน้ามาโดยลำดับอย่างเงี้ยนะคะท่านมีพุทธวจนะคำสอนของพระาศาสดาใดาที่จะเป็นประโยชน์กับผู้หญิงไทยบ้างคะโอ้พระพุาพูดถึงผู้หญิงในเรื่องของอามารดานี่พูดไปเยอะมากเลยที่ว่ามารดานี่เป็นบุคคลที่มีอุปการะกระโบดมากมีบุญคุณเป็นผู้ที่ เขาว่าอุปกราระผู้อื่นก่อน <Okay. S 1> นะแล้วก็ยังเป็นบุคคลที่ลูกเนี่ยควรทําการเคารพต้อนรับไหวกราบไหวแล้วก็บูชาให้ทานพวกนี้แต่ถ้าพูดถึงมารดาก็คือหมายถึงผู้หญิงโดยทั่วไปนะ <Okay. S 1> นะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่ไม่แต่งงานด้วยก็มีนี่เรากำลังพูดถึงมารดาก่อนนะที่มี <Okay. S 1> ลูกนะก็คือมีจิตของความเป็นพรมความเป็นยิ่งใหญ่ความเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่ ความที่อุปกราระคนอื่นก่อนมีเมตตาพวกนี้แต่ทำให้เรามองเห็นประเด็นที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีลูกก็ตามแตถ้าเรามีจิตอย่างนี้เนี่ยมีจิตที่ลักษณะเป็นเป็นพรหมเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่เป็นจิตที่มีเมตตากรุณาพวกเนี้ก็ถือว่าเป็ น, เ, เ, ปนเป็นพรหมได้เหมือนกันเป็นแม่ได้เหมือนกันเป็นมารดาได้เหมือนกันเนพราะด้วยความที่จิตอย่างนี้เราอาจจะเห็นว่าคนที่ไม่มีลูกอย่างเงี้ยเลี้ยงลูกคนอื่นต้องเยอะแยะไปหมดเลย ยังมีความรักความเมตตาก็เป็นเหมือนกับแม่ได้นะค่ะทีนี้นี่คือความที่ที่จิตใจเป็นอย่างนี้ทีนี้ในเรื่องของสตรีเนี่ยในขณะเดียวกันนะก็ผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยก็ควรจะต้องระวังนั่นคือเราต้องระวังเพศตรงข้ามแต่สําหรับคนที่ประพฤติพรหมจรรย์เนื่องาะว่าอาจจะ ก, การประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยก็ต้องระวังเพศตรงข้ามเพื่อที่จะให้การประพฤติของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง อันนี้ก็เป็นข้อที่ควรระวังะระวังยังไงครัในเรื่องของการมีความสัมพันธ์นะคือถ้าเราไม่มีการสํารวมอินซีเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่สํารวมน้นจิตเราเตลิดไปนะราคะก็จะเสียดแทงจิตนั่นก็จะได้รับความเร้าร้อนกายรุ่มร้อนใจนะ้เท <นะ S 2> ่ากับว่าหากเป็นผู้ที่ประพฤติรรมแล้ว ไม่ว่าจะตาหูจมูกลิ้นกายใจในเรื่องที่เกี่ยวกับเพศตรงข้ามบางทีบางคนบอกว่าก็แค่นึ ก, นกๆึเฉยเฉยมันห้ามยากใจอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ห้ามได้ด้วยสติไงด้วยการสำรวมอินทรีย์ค่ะพูดถึงเรื่องพวกนี้ถ้าจะนำมาสนทนากับพระจารย์นิคงจะสนทนาได้เยอะแต่ที่จเองก็เห็นว่าไม่ค่อยเหมาะสมคือคือบางครั้งมันเป็นเรื่องธรรมดาบนโลกใบนี้เยอะนะคะท่านคะ ก็เลยจะพูดถึงประเด็นนี้ไงคุณโยมติว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเร า, mm hmm. เ, ราเราจะ เ, าเราไม่ต้องพูดถึงข้อควรระวังกันแหเรา <Okay. S 1> พูดถึงจิตที่เป็นพรหมอย่างที่ว่าเนี่ยจิตที่เป็นมีเมตตามีก ร, รณุณาอย่างที่ผู้หญิงที่เป็นมารดาเขามีกันเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นไม่มีไม่ได้เป็นมารดาจริงๆเนี่ยก็ทําจิตอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเนี่ยจิตแบบนี้นะคนนุณโยมติวเป็นจิตที่ไม่มีเพศชายเพศหญิง น, ถถงๆๆ famine, ๆงนะคือเป็นจิตลักษณะของพรหมนะพรหมเนี่ยบุรุษชาติบอกว่าไม่ได้มีเพศชายไม่ได้มีเพศหญิง ชันพรมนะเทวดาชั้นพรมนู่ น, นขึ้นไปสูงก็เรียกว่าเป็นเป็นชั้นพรมนะในเทวดาชั้นนี้เนี่ยไม่มีผู้ชายผู้หญิงนะคือถ้าเรายังพูดถึงการมาพบเนี่ยสัตว์นารกเปรอสุรกายมนุษย์เทวดาตั้งแต่ชั้นจตุมาราชิกาจนกระทั่งถึงชั้นนิมานมาต์ดีปณิมตัสสวัสดีทั้งหมดเนี่ยยังมีการแบ่งชายหญิงมีการแบ่งชายหญิงมีการเสพการมีการหาความสุขต่างๆหุ่นจมูกลิ้นกาย ทีนี้พอขึ้นไปชั้นพรมปุ๊บนี่ไม่มีเพศชายเพศหญิงเลยจิตใจที่แบบมีเมตตารุรณามุมิตาอุเบกขาสอย่างเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกเพศนันเป็นจิตใจที่มหากตาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตใจอย่างนี้นันเพศชายเพศหญิงนี่ไม่มีวนาเลยค่ะในส่วนที่เป็นพูทธวจนะมีการพูดถึงความเป็นเพศหญิงในลักษณะที่อ่อนด้อย กว่าความเป็นบุรุษเพศหรือว่าในลักษณะที่มีความเท่าเทียมกันอย่างไรคะท่านคะเอาพูดกันง่ายๆยังไม่ต้องยกพุทธวจนะก็ได้เอาแค่ว่าเราพูดถึงผู้ชายกับผู้หญิงคือมันมีความแตกต่างกันมาตั้งแต่สุดทรงภายนอกอยู่แล้วแต่เพราะนั้นถ้าจะบอกว่าเหมือนกันเนี่ยมันไม่มีทางเหมือนกันเอาไม่ต้องพูดถึงผู้ชายกับผู้หญิงหรอกเอาแค่ผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงสองคนมาเกิดมายืนเทียบกันมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะ เรเอาฟ้าแฟออกมาปุ้งเหมือนพร้อมๆกันดูหน้าตาเหมือนกันจิตใจเขาก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะแต่เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคนเราเหมือนกันมันมันพูดไม่ได้ไม่มีทางคุณคุณพูดผิดตั้งแต่กรรมพันธุ์แล้วโครโมโซมก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่เพราะฉะนั้นถามว่าคุณจะบอกเหมือนกันหร่เหมือนกันอะไรไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอะไรนะก็คือไม่เหมือนกันนั่นแหละว่างั้นเถอะถ้าจะบอกเหมือนกันก็เหมือนกันในการที่มีสิทธิ์ที่จะรักษาศีลทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดแล้วคุณมีสิทธิ์ในการที่จะนั่งสสมมาาธธิิิจรญ ทำปัญญาให้เกิดขึ้นใครๆก็มีได้ผู้ชายผู้หญิงมีได้หมดอันนี้คือที่ทั้งเหมือนและไม่เหมือนนะค่ ะ, ะทีนี้ที่พูดถึงความเราเห็นได้ชัดเลยเรื่องกําลังเป็นต้นนะผู้หญิงก็จะมีน้อยกว่าผู้ชายอันนี้แน่นอนอหรืออย่างเรื่องของความรักความไม่ตาต่อบุตรอย่างเงี้ยเราก็เห็นได้ชัดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่มีมากกว่าผู้ชายนะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ามันก็ควรจะต้องเสริมนะหรือว่าข้อตอนไหนควรระวัง เราก็มาพิจารณาตามมีตุตามปัจจัยอ่ะนะทีนี้ธรรมะของพระเจ้าวเวลาประกาศแล้วเนี่ยใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไงสบายาที่ปัญญานี่สบายใจมากเลยเนื่องจากห่วงเวลานี้ก็จะพูดถึงประเด็นแบบนี้กันบ่อยเหมือนกันน <c oughs> ะค่ะว่าจะต้องพัฒนาผู้หญิงให้ผู้หญิงเนี่ยได้ทัดเทียมกับบุรุษในเรื่องโอกาสต่างๆจะได้เป็นความเสมอภาคแต่ว่าสําหรับพระพุทธองแล้วเสมอภาคกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ะะใช่ใช่โดยที่เพศสภาพก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมดนิ่นมากกว่ามีความอ่อนช้ามีความงดงามก็ก็เป็นไปตามลักษณะค่ะท่านพิบูลคะเรื่องผู้หญิงนี่อาจจะมีโอกาสพูดกันอีกหลายวันแต่ที่ฉันนึกขึ้นได้ถึงที่ท่านพอท่านพูดถึงเรื่องผู้หญิงที่เป็นพรหมมาเป็นพรหมเนี่ยไม่มีเพศและต้องมีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยนะคะเพิ่งดูยูทูปคุณท่านคะ่ะวยดีโอ มีคนส่งมาให้ดูตอนแรกก็นึกว่าเป็นเรื่องการประกวดร้องเพลงความสามารถตามธรรมดาทั่วๆไปที่ก็ทําทกันเพราะว่าจะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาเป็นคนเหมือนกับพวกอิหร่านอะไรอย่างเงี้ย น, นะค ะ, ะหน้าตาดูเบิกบานมีชีวิตชีวาพูดถึงความฝันอยากจ ะ, ะชนะการร้องเพลงพอถึงเวลาที่เขาถ่ายทั้งตัวเอาไปแสดงปรากฏ ว, ว่าแขนเขาด้วนนะคะแล้วก็ ร่างกายพิกลพิการแต่หน้าตาเขาเนี่ยเบิกบานมากอืมสรุปก็คือฉายภาพย้อนไปให้ดูว่าเขาเนี่ยประสบชะตากรรมนี้จากการที่ประเทศเขามีสงครา ม, มจนมระท่านทําให้เด็กๆแบบเขาเนี่ยด้วนกันหลายคนมากมแล้วเขาก็ถูกเลี้ยงดูโดยคนที่มีใจเป็นพรมหมแน่เลยนะคะออืมเป็นผู้หญิงผมทองรู้สึกจะอยู่ออสเตรเลียอะไรยํานองเนี่ยค่ะวันที่ฉัดูแล้วมันตื้นตันใจค่ะท่านะคะคือเหมือนกับว่า เขาทำผู้หญิงคนนี้สามารถทำให้คนที่สภาพร่างกายและจิตใจเขาไม่มีแม่นะคะเขาไม่รู้ว่าวันเกิดเขาเนี่ยเกิดวันไหนเพราะว่าเกิดมาเหมือนกับในสถานที่ลี้ภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะออแต่ก็ดูเป็นคนมีความสุขเพราะไปเจอคนที่มีใจเป็นพรหมนั่นแหละคะ่ะใช่ใช่อันนี้มีประสบการณ์ที่จะมาจะแบ่งปันให้คุณยมติวซ้ำเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นมีโอกาสไปกรุงเทพ ก็ได้เห็นคนขายลอตเตอรี่แล้วก็มาด้วยกันสองคนเป็นสามีภรรยานี่แหละสามีก็เดินไม่ไดข้ขานี่แบบง่อยไปก็เลยนั่งรถเข็นรถเข็นชนิดเหมือนกับถาดเข็นอ่านพรานะที่มีสีล้อแล้วก็ไม่ได้เป็นที่นั่งแบบเก้าอี้นะเป็นแบบแบนๆลงไปก็คือต้องตามลงไปกับพื้นแล้วภรรยาเนี่ยก็ตาบอดบนะภรรยาตาบอดก็ต้องจับไหล่สามีแล้วก็สามีก็นาทางไปสามีตาดีแต่ขาเดินไม่ได้ ภรรยาขาเดินได้แต่ตาไม่ดีนะแล้วก็ถือแผงลอตเตอรี่มานักธรรเห็นแล้วก็โอ้ยน่าสงสารเหลือเกินเอ๊ขาชีวิตเขามีความเป็นอยู่เนี่ยด้วยการขายลอตเตอรี่กําไรมันก็ไม่ได้เท่าไหร่นะในค่าใช้รักษาพยาบาลค่าอะไรต่างๆเอ๊ะถ้าสมมุติว่าหมอเขาทําให้ไม่ดีเฮ้ยสองคนนี้เขาจะไปฟ้องหมอเอาเรื่องไหมเนาะเราคิดอย่างนี้เราก็ได้คําตอบว่าเขาคงไม่ฟ้องหมอเอาเรื่องหรอกนะ ว, ว่าจะทําให้เขาไม่ดีหรืออะไรต่างๆมันยัง บางคนไปหาหมอแล้วหมอรักษาไม่ดีก็ฟ้องหมองเงี้ยนะเขาก็ยังดูโรงพยาบาลพังเลยเอ่ใช่เพราะเขาก็ยังดูมีความสุขนะคนที่แบบอยู่มีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ยังดูมีความสุขในการที่จะมีสิทธิในการรัการรักษาพยาบาลอย่างชนิดที่ว่าสบายใจได้นะค่ะอมันก็เป็นธรรมะได้ที่เราเห็นนะคือคือเห็นแล้วได้คิดหลายอย่างจากกรณีนี้ก็คือข้อที่หนึ่งคิดว่าสงครามโหดร้ายอืข้อที่สองก็ตัดตอนมาเลยว่าเอ๊ะทาไม ในขณะที่เขาดูแบหน้าสมเพชในสายตาคนอื่นเนี่ยแต่เขาจึงดูมีความสุข mm hmm. ได้เห็นว่าเป็นเพราะความรักความเมตตาความการุณาที่เขาได้รับจากคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขากลับอะไรรู้ไหมคะสุดท้ายเลยนะ mm hmm. คือเขามาประกวดร้องเพลงเนี่ยเป็นการร้องเพลงเพื่อจะบอกให้โลกนี้ไม่มีสงครามใช mm ่ hmm. เพลง imagine เลค่ะอ๋อส<ำ>ัง uh. แล้วดิฉันเชื่อว่า อันนี้ผดสะเนี่ยกระทบอย่างรุนแรงกับคนที่ได้ดูแพทย์ทุกคนเลยนะคะกรรมการสี่ห้าคนก็น้ํำหูน้ําตาไหลอมันสะเทือนใจแต่อะไรก็ตามไม่ได้ได้แง่คิดสําหรับแง่ของดิฉันก็เป็นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วพระอาจารย์จะมีแง่มุมอะไรเพิ่มเติมในทางรำปิดท้ายสักหน่อยไหมคะอันนี้เขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นอาชายนัยใน ค, ค่อนที่ว่าตัวเองประสบความทุกข์แล้ว นะก็รู้วิธีที่จะนำความทุกข์นั้นออกจากจิตของตัวเองนะเป็นผู้ที่มีความร่าดเริงในธรรมนะ เ, ปเป็นผู้ที่เอาตัวรอดได้นะเด็กคนนี้นะอันนี้เลยจึงเป็นเรื่องที่อินสปก็คนอื่นว่าเฮ้ยขณะ ช, นชันนี่ เ, เจอความทุกข์ระดับนี้ฉันยังเอาตัวรอดได้แล้วเธอล่ะยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่นะนี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นเลยเราจะเป็นอัชนยหรือไม่ล่ะเรามีความทุกข์เราเอาออกได้ไหมล่ะนี่แหละคือประเด็น เป็นแรงบันดาลใจจากหนุ่ ม, มนี้นะคะ <Okay. S 1> ค่ะวันนี้เรากอา็อาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่ถ้าพอจะประมาณได้เอาไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรานะคะว่าใช้แรงบันดาลใจแล้วก็ธรรมะที่เราได้รับเนี่ยนะคะไปสร้างสารรค์ชีวิตของเราให้ดีกับตัวเองและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นวันนี้ก็กราบน้อมสักการท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเชิญพานท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะรายการนี้สรนสนิษฐานาค่ะ สำหรับผู้ทวจนะศึกษาไว้ไม่มีทางศูนย์เปล่านำไปปฏิบัติมีแต่ได้กำไรนะคะและเป็นกำไรที่ซื้อหาทำการค้ายอย่างอื่นก็ไม่มีทางได้แบบนี้เป็นกำไรที่เป็นอมตะกำไรนะคะ เราก็จะเชิญท่านมาฟังรายการกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนที่จะจบศึกษาพุทโธจะนะได้จากหนังสือที่แจกในรายการ 02269-00-06 ติดต่อกันมาพระอาจารย์คอกฤทธ์โสธิพโลจากวัด น, นา ป, ป่าพงลำลูกกาคลองสิธิได้มอบหนังสือให้กับพวกเรานะคะวันนี้ลากานไปต่เพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะพุทวธสวัสดีค่ะ